ปีกุลโทสกพุทธศักราชสอ3พวันพุทธขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าเวลาค่ำแปดทุ่มห้าบาทสมเด็จพระนางกล้าเสด็จสวรรคตสิริพระชนมายุได้6 3พันษากับส1บเอ็ดวันดำรงอยู่ในราชสมบัติ25หปีเจ็ดเดือน23สามวันพระมหาโตอายุได้64ปีบวชมาแล้ว 42, 000, ส2สองพรรษา พวกข้าราช ก, การได้ทูลอัญเชิญเสด็จทูลกระหม่อมพระราชาคณะวัดบวรนิเวศวรวิหารให้เสด็จนิวัดออกเถลิงราชรพระมหาโตเลยออกทุ ด, ดงหนีหายไปหลายเดือนรันทรงระลึกได้จึงรับสั่งให้หาตัวมหาโตก็ไม่พบก็ทรงกลิยวสังฆาลีรับสั่งว่าท่านเหาะก็ไม่ได้ดำดินก็ไม่ได้แหกกำแพงจักรวาลห น, นีก็ยังไปไม่ได้ จึงรับสั่งให้พระญาณเนโธทีออกติดตามก็ไม่พบก็รับสั่งว่าฉันจะตามเองรันถึงเดือนเจ็ดปีนั้นมีกระแสรับสั่งถึงเจ้าเมืองฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือตะวันออกตะวันตกทั่วพระราชอาณาจักรจากพระมหาโตส่งมายังเมืองหลวงให้ได้ให้เจ้าคณะเหนือกลางใต้ตกออกออกค้นหามหาโตเลยสนุกกันใหญ่ ทั้งฝ่ายพุทธจักอนณาจักแม้จะมีท้องตลารับสั่งเร่งรัดยังไรก็ยังเงียบอยู่เจ้าเมืองเจ้าหมู่ฝ่ายพระร่วมใจกันจับพระอาคันตุ ก, กะทุกองค์ส่งยังสลากลางราวนี้พระมหาโตลองวิชาเปลี่ยนหน้าทำให้คนรู้จักกลับจำไม่ได้เห็นเป็นพระอื่นปล่อยท่านไปก็มีอาคมชนิดนี้พระอาจารย์เจ้าเรียกว่านารายแปลงรูป ต่อมาท่านพิจารณาเห็นว่านายดานในตำบลเจ้าเมืองกรมการจับพระไปอดเช้าบ้างเพนบ้างตากแดดตากฝนได้รับความลำบากทำทุกทายากแก่พระสงฆ์คงไม่ดีแน่จึงแสดงตนให้กำนันบ้านไผ่รู้จักจึงส่งตัวมายังศาลากลางเจ้าเมืองมีใบบอกมายังกระทรวงธรรมการกระทรวงธรรมการบอกส่งไปวัดโพคือวัดพระเชตุพนพระยานโพธิ ขึ้นไปดูตัวก็จำได้และคุมตัวลงมาเฝ้าในพระที่นั่งอมรินท์ท่ามกลางคุณนางข้าราชการเป็นพระธรรมกิติและเจ้าอาวาสวัตรคังโคสิตารามรันเห็นพระยานโพธินำมาหาโตเข้าเฝ้า จึงมีพระดำรัสว่าเป็นสมัยของฉั้นปกครองแผ่นดินท่านต้องช่วยชั้นพยุงพระบวรพุทธศาสนาด้วยกันและมีพระบรมราชองค์การให้กรมสังฆการวางดีกาตั้งพระราชาคณะตามธรรมเนียมพระมหาโตก็เข้าไปตามดีกานิมนต์จึ ง, งทรงถวายสัญญาบัตรจารปัดแฉกหักทองขวางดามงาเป็นพระราชาคณะที่พระธรรมกิติ เจ้าอาวาสวัดรคังโคศิตารามมีฐานานุกรมสามองค์มีนิตยาพัดเดือนละสีตตำลึงหนึ่งบาททั้งค่าข้าสารเมื่อออกจากพระบ ร, รมราชวังแล้วท่านแบกพัดไปเองถึงบางคุณพรมและบางลำพูบอกลาพวกศัพ์บุรุษที่เคยนับถือมีเสเมียนตราดวงและพระยาโหราทิปดีเก่าและผู้อื่นอีกมากและท่านก็กลับมาวัดมหาธาตุลาพระสงฆ์ทั้งปวง ลงเรือกราบสีที่ด้รับพระราชทานมาแต่พระพุทธเลิศล่าข้ามไปกับเด็กช้างผู้เป็นหลานท่านถือบาทพระไตรและบริขารไปบอกพระวัดระคังว่าเจ้าชีวิตทรงตั้งชั้นเป็นพระธรรมกิติมาเฝ้าวัดระคังวันนี้จ่าเปิดประตูโบสถ์รับฉั้นเถอจะ่ะฉันจะต้องเข้าจำวัดเฝ้าโบสถ์จะเฝ้าจัดตามพระราชองการรับสั่งจ่ท่านแบกตาลปัดพัดแจก สะายถุงยามสัญญาบัตรไปเก้กๆกังๆพรุงพรังพวกพระนึกขบคันจะช่วยท่านถือเจ้าคุณธรรมกิติก็ไม่ยอมพระเลยสนุกตามมุงดูกันแน่นแห่กันเป็นพรวนเข้าไปในโบสถ์บางองค์ก็จัดโน่นทานี่ต้มน้ำบ้างตักน้ำถวายบ้างตะ บ, บันหมากบ้างรรกิจสาเกลียวกราวตลอดกรุงคนนั้นก็มาเยี่ยมคนนั้นก็มาดูเลื่อมใสในจัญญาบ้าง เลื่อมใสในยศสัก์บ้างท่านทำขบคันมากดูสนุกเป็นมหรสพโรงใหญ่ทีเดียวบางคนชอบหวยก็เอาไปแทงหวยคลังเข้าทุกๆวันคนก็ยิ่งเอาไปแทงหวยถูกกันมากรา ย, ยิ่งขึ้นเลยไม่ขาดคนไปมาหาสู่บางคนก็บ้าท่านบ้าซึ่งท่านก็บอกว่าเมื่อครัวโตบ้า ผ่าการนิยมชมว่าครัวโตเป็นคนดียามนี้ครัวโตเป็นคนดีพูดกันบนอุอีว่าครัวโตบ้าบางวันเขานิมนต์ไปเทศเมื่อจบท่านบอกว่าเอวังพังกุยบ้างบางวันก็บอกว่าเอวังคังสือบางวันก็บอกว่าเอวังหุนหัน